รู้จิตหดหูและจิตฟุ้งซ่านลักษณะของความหดหูและฟุ้งซ่านสภาวะจิตข้อนี้มีความแตกต่างเป็นพิเศษจากสภาวะจิตอื่นๆในจิตตานุปสนามีความน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่เมื่อปฏิบัติได้ผลแล้วก็จะไม่มีคำว่าจิตตกหรือการปฏิบัติเสื่อมถอยอีกต่อไปเพราะเมื่อดู เป็นแม้ขณะที่กำลังแย่ก็ไม่เหลือเวลาไหนในชีวิตอีกแล้วที่จะเอามาใช้ปฏิบัติไม่ได้นอกจากนั้นจิตตานุปัสสนาข้อนี้ก็ยังเหมาะกับคนที่คิดท้อมาตลอดว่าไม่สามารถปฏิบัติอะไรกับเข้าได้เมื่อมั่นใจว่าไม่สามารถมีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองไหวเพราะปุถีเกศชนนี้ร้อยทั้งร้อย จะเป็นผู้มีปกติหดหูสลับกับฟุ้งซ่านหดหูเพราะว่าท้อในการปฏิบัติบ้บางเพราะเศร้าแบบโลกโลกบ้างเพราะชอบนอนบ้างเมื่อหดหูเก่งก็ต้องฟุ้งซ่านเก่งเป็นเงาตามตัวแถมมาด้วยกันอย่างแยกไม่ออกฉะนั้นก็ใช้คุณสมบัติเฉพาะตัวนั่งเองเป็นเครื่องมือฝึกหัด รู้เข้ามาถึงจิตถึงใจให้สำเร็จจนได้จิตหดหูมีลักษณะร่วมกับจิตมีโมหะอยู่ประการหนึ่งคือความหม่นมัวไม่สามารถเห็นปัจจุบันธรรมได้กระจางแจ้งตรงจริงแต่จิตหดหูนั้นแยกกว่าตรงที่ถึงขั้นหมอกมองหนักชนิดให้ผลลามถึงกายแบบไม่อยากขยับเขยื่อนเกียคร้าน ต้องการจมแช่อยู่กับความรู้สึกในทางเลวร้ายทำนองทอดอะไรตายอยากนึกถึงอนนกฏด้วยความมืดมนเรียกว่าพัฒนาอีกระดับก็ริดเป็นความอยากฆ่าตัวตายเอาง่ายเพราะจิตหงดหู่เป็นอกุส ล, ละจิตชนิดที่บรรดาให้คิดถึงแต่อะไรที่เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองทาลายความหวังความศรัทธาต่อการดารงชีวิต แล้วก็ยุยงให้เชื่อว่าหมดลมหายใจก็เป็นอันพ้นทุกพ้นร้อนเรื่องจะให้เชื่อว่าต้องไปใช้กรรมยึดเยื้อลาบากกว่าเก่านั้นลืมได้ความหดหู่ของจิตก็เหมือนม่านทึบที่ปิดบังอนาคตหลังความตายไว้จนหมดสิ้นส่วนจิตที่ฟุ้งซ่านก็มีลักษณะร่วมกับโมหะเป็นความหม่นมัวเช่นกัน ความรู้สึกทั่วไปเหมือนเกิดคลื่นกระเพื่อมไหวในหัวอย่างน่ารำคาญยิ่งบางคนที่มีพลังตัวมากมากเท่าไรความฟุ้งก็จะยิ่งทรมานหนักกว่าคนทั่วไปมากขึ้นเท่านั้นหากระงับไม่ได้หรือไม่รู้วิธีทำให้เจือจางลงผลก็มักจะลงเอยเป็นความเบื่อตัวเองอย่างรุนแรงอีกทั้งสาเหตุของความฟุ้งซ่าน ก็เป็นไปได้หลายประการจะประสบความสำเร็จเล็กใหญ่หรือความล้มเหลวมากน้อยจะเป็นความคาดหวังหรือทอดอะไรจะเป็นกลุ่มในการงานหรือจดจอ่อรอเวลาบันเทิงก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงขับต้นให้เกิดจิตฟุ้งส้านได้ทั้งสิน้นคนยุคเรามีเหตุทับทวีคลื่นความฟุง้งให้พลานจัดยิ่งกว่ายุคไหน เสียด <see>? sure. ้วยวิธีกําหนดรู้พระพุทธองค์ได้ให้แนววิธีรู้ไว้คือเมื่อจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านแปลกกว่าการพิจารณาจิตข้ออื่นที่พระพุทธองค์ไม่ได้กําหนดรู้ว่าจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตไม่หดหูก็รู้ว่าจิตไม่หดหูแต่กลับให้พิจารณาจิตฟุ้งซ่านคล้าย จะมีความต่อเนื่องกันอยู่เมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสีได้พักหนึ่งจะสังเกตเห็นอย่างถนัดว่าจิตหดหูแม้ยังปรากฏอยู่บ้างเป็นระยะก็จะมีอายุสั้นมากเพียงถูกรู้ว่าซึมลงไปหรือออกอาการเคว้งหลงห่ว ง, งนวลก็จะกลับเข้าสู่ความมีสติได้พอสมควรไม่ถึงขนาดถลำจมลึกในห้วงเหวแห่งความหดหูง่ายดนัก แต่รอยต่อระหว่างความหดหูกับความกลับสติได้นั้นอย่างไรก็ไม่มีอาการกระจายหรือกระทั่งกระเจิงอยู่เล็กๆตรงนั้นคือความฟุ้งซ่านอันเป็นร่องรอยที่จิตหดหูทิ้งเอาไว้ถ้าใจเย็นพอจะรู้ความฟุ้งซ่านไปสักพักก็อาจจะเห็นจิตคล้อยลงสู่ความหดหูเหมือนยอมตัวลงจมน้ำอีกเหมือนเล่นเอาเถิดเจ้าล่อรู้ภาวะใดสักพักก็จะเกิดอีกภาวะหนึ่ง ขึ้นมาสารต่ออยังไรก็ตามเมื่อเกิดความเห็นชัดในภาวะหดหูและฟุ้งซ่านก็จะแยกแยะได้ถึงความแตกต่างระหว่างสองสภาวะกล่าวคือภาวะหดหูจะมีลักษณะดึงดูดให้จมลงตา่าส่วนภาวะฟุ้งซ่านจะมีลักษณะผลักดันให้คิดนอกตัวสารพัดเรื่องถ้าหากไม่สังเกต ก็จะไม่ทราบเลยว่าสองภาวะนี้บางทีตามกันมาสลับกันเล่นงานเราและบางทีก็ร้ายหน่อยมีมาควบคู่พร้อมกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือคงมีไม่กี่คนในโลกที่จะค้นพบว่าถ้าสมองขอภัยค่ะถ้ามองสองภาวะนี้สลับไปสลับกันพักด้วยความเท่าทัน ซึมแล้วกลับฟุ้งฟุ้งแล้วกลับซึมรอบแล้วรอบเล่ากระทั่งถึงรอบที่สติรู้มีใยก็จะเห็นความฟุ้งซ่านละลอกสุดท้ายสงบลงในที่สุดความรู้สึกสว่างโล่งเหมือนสลัดผ้าคลุมหน้าหนักทิ้งเสียได้สำเร็จเมื่อเริ่มฝึกนั้นระหว่างเกิดจิตหดหูควรใช้สายตาช่วยนิดนึง คือทอดมองตรงไปไกลๆด้วยความสบายเรียกว่าอาศัยสุขเวทนาทางกายมามีส่วนเป็นเครื่องทุนแรงที่สำคัญคือต้องไม่ล่องลอยสายตาเหมือนเรือขาดหางเสือลอยตามยะถากรรมสติต้องกำหนดรู้สภาพหดหูของจิตกระทั่งเห็นชัดว่าหมดความหดหูแล้วกลายเป็นความฟุ้งซ่านแทนที่สำหรับผู้ที่ฝึกอนาปานสติจนคล่องแคล่ว ก็อาจจะพบวิธีรู้จิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านอีกแบบหนึง่งคือระหว่างกำหนดรู้สภาพหดหูหรืออาการฟุ้งซ่านก็ระลึกถึงการหายใจออกและการหายใจเข้าไปด้วยความหดหูหรือความฟุ้งจะแปลเป็นแรงอัดมาจุกในในอกเหมือนรวบเอาก้อนดินเหนียวที่เคยกระจัดกระจายมาไว้ในที่เดียวกันหากเกิดภาวะดังกล่าวนี้ อย่าเพิ่งยึดลมหายใจด้วยความคาดหวังว่าจะขับไล่ก้อนหนักๆนี้ออกไปให้พ้นแต่จงระลึกว่าแรงอัดที่ทำให้เกิดคลื่นความฟุ้งอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจสามารถกำหนดรู้ก็รู้เฉยเฉยเหมือนรอดูเมฆดําทะมึนแน่นหนาคล้ายที่จะคลายตัวลงเองอาจจะมีอาการบีบรัดเข้ามาแล้วคลี่คลายออกไปสลับกันก็ให้พิจารณาว่านั่น คือการแสดงตัวของอนิจจังเรามีหน้าที่รู้หน้าที่เฝ้าดูให้เห็นกระจ่างแจ้งชัดพัฒนาเป็นปัญญาปล่อยวางเท่านั้นพอหากต้องการแยกแยะระหว่างเหตุแห่งความฟุ้งซ่านกับตัวฟุ้งซ่านให้ออกเพื่อความฉลาดรู้ฉลาดบังคับอาการฟุ้งซ่านก็ขอให้กําหนดรู้เฉพาะความอึดอัดกรนกระไว หรือแรงดันในจิตก่อนแล้วค่อยดูว่าในสภาวะอึดอัดคับแคบแน่นหรือฟุ้งยุ่งเหยิงกระจัดกระจายจับไม่ติดนั้นในหัวเรามีความคิดเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์ใดจอนเข้ามาห้ามดูเรื่องในหัวก่อนเด็ดขาดเพราะจะทำให้จับอะไรไม่ติดเลยสักอย่างเมื่อดูนานประยะหนึ่งจะเห็นเหมือนความฟุ้งกับความคิดในหัวแยกเป็นคนละส่วนกัน บางทีความคิดดับไปแต่แรงอัดของความฟุ้งยังตกค้างอยู่หรือบางทีความฟุ้งหายไปแต่ความคิดยังคลอเคลียอ้อยอิงอยู่จางๆตรงนี้จะทำให้ละต้นเหตุของความฟุ้งได้จิตจะสงบตัวลงมาแบบมีแรงดันหน่อยๆชนิดที่พร้อมประทุตัวขึ้นอีกจึงจัดเป็นสภาพหดหูเล็กๆได้อย่างหนึ่ง เมือ่อใดก็ตามหากดูเข้ามาที่จิตแล้วไม่เห็นอะไรอื่นคลื่นความคิดหรือเรื่องราวในหัวไม่ปรากฏชัดเจะว่าเป็นอาการของราคะและโทสะก็ไม่เชิงเห็นแต่แรงดันอกก็ขอให้ถือว่าเป็นความฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งเช่นกัน การจำแนกได้ถูกในเบื้องต้นจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรากำลังรู้อยู่ในกรอบของจิตานุปัสนาขจัดความสงสัยที่มักแทรกตัวแถมมาเสมอยามพิจารณาจิตฟุ้งซ่านหากกำหนดดูจิตที่กำลังมีสภาพหดหูหรือฟุ้งซ่านเพียงเล็กน้อยก็เป็นไปได้สูงที่จิตจะข้ามขั้นของการสับเปลี่ยนระหว่างหดหูกับจิตฟุ้งซ่านเข้าสู่สภาะเบิกบาน ตามธรรมชาติันทีแถมจะมีความรู้สึกว่างเป็นพิเศษก็ขอให้รู้อยู่กับความว่างนั้นอย่าปล่อยให้อาการของจิตหลงเข้าไปในความว่างวิธีแน่ใจได้ว่าระว่างอย่างรู้คือยังทราบอยู่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในอุรยาบทไหนในขณะนี้ไม่ลืมสภาพว่างเด่นออกมาจากกลางอก ขอย้ำให้ละลึกแน่นๆว่าสภาพว่างกลางอกนี้สร้างขึ้นไม่ได้สลัดทางด้วยวิธีกำหนดเพ่งเข้าไปที่กลางอกตรงๆไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นเองเมื่อรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏและหายไปจากจิตเมื่อชำนาญรู้สภาวะเกิดดับจิตมากเข้าความว่างจะขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆสติรู้และความมั่นคงภายในจะเพิ่มขึ้นกระทั่งจิต เด่นดวงกว้างขวางระดับหนึ่งตรงนั้นถ้าฟุ้งก็จะฟุ้งได้เพียงน้อยและตัดกลับไปสู่ความตั้งมั่นอันเดิมโดยอัตโนมัติช่วงที่รู้เป็นอัตโนมัตินี้เองที่ความเกิดดับจะปรากฏให้เห็นมากไม่เฉพาะสภาวะจิตหดหูหรือฟุ้งซ่านแต่เป็นทุกสภาวะที่ผ่านเข้ามากระทบใจ ดังนั้นโอกาสที่จิตจะตกร่วมลงสู่ความหดหู่แทบไม่มีซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณบอกว่าจิตเริ่มเข้าเาที่จะรวมดวงในระดับมหักกตะได้แล้วการกำหนดรู้มหักคติขออภัยค่ะ มหัคคตาจิตลักษณะของสภาพอันเป็นมหัคคตะโดยย่นย่อแล้วความเป็นมหัคคตะคือความเป็นหนึ่งของจิตคือแทนที่กระแสจิตจะ ก, กระจายออกก็รวมดวงหนักแน่นเป็นปึกแผ่นไม่มีช่องว่างให้ความคิดฟุ้งซ่านเล็ดลอดเข้ามาแพ้ว่านฉะนั้นระหว่างแห่งการรวมดวงดังกล่าวนี้ ตัวตนและสภาวะรู้สึกบุคคลจะหายไปเพราะจิตจะเด่นกว่ารูปกายเหมือนถูกยกขึ้นไปอยู่อีกระดับหนึ่งตัาหากจากโลกหยาบความยึดมั่นอันเกี่ยวกับโลกหยาบเช่นตัวตันหาราคะจึงดับลงสนิทแต่เชื้อของตันหาราคะยังดำรงอยู่กล่าวคือเมื่อเคลื่อนออกจากสภาพมหักคตะลืมตาขึ้นเห็นรูปสวย เงียหูฟังเสียงเพราะหายใจพบกลิ่นหอมขบเคี้ยวรู้รสอร่อยนั่งนอนสัมผัสความนิ่ม น, นวลสภาพยนใจเหล่านั้นเมื่อกระทบเข้ากับจิตที่ยังมีเชื้อราคะก็ย่อมลุกโผล่ขึ้นเกิดแรงดันให้ทยานอยากเข้าอีกเมื่อฝึกกำหนดรู้ว่าจิตเป็นหรือไม่เป็นมหคัตตะจนชำนาญ นอกจากจะแยกแยะได้ถึงความแตกต่างแล้วยังทำให้ได้ความรู้ว่าขณะของจิตหนึ่งหนึ่งมีสภาพพร้อมจะเป็นมหักตะได้หรือไม่กล่าวคือถ้ายังวันไหวง่ายต่ออารมณ์อนาคไรก็จะรู้ได้ทันทีว่าภาวะนั้นไม่เอื้อต่อการรวมดวงมหักตะแต่ถ้าปลอดโปรง่งและจิตขาดเยื่อใยจากอารมณ์อนาคไรทั้งหลายแม้กระทบก็ไม่สน ว่างจากกระทบก็ไม่ถวิลหาสำหรับผู้มีกําลังจิตเคยรวมได้เป็นปึกแผ่นมาก่อนก็ย่อมตรหนักว่าสภาพเช่นนั้นเอือเอ้ออำนวยให้พร้อมดิ่งได้ถึงมหคกะตาอีกแล้วก็สำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกรู้จิตหดหูกับจิตฟุ้งซ่านมาอย่างดีกระทั่งความหดหูและความฟุ้งซ่านกลายเป็นขิดผมที่ปัดทิ้งง่ายเกาะจิตไม่ติด ก็จะทราบว่าจิตเข้าไปอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมรวมดวงมหากระตาง่ายเช่นกันขอเพียงน้อมจิตกับอารมณ์ที่ละเอียดคู่ควรกับสภาพรวมใหญ่ดังเคยกล่าวแล้วว่าที่เรียกมหากระตาก็เพื่อขับเน้นให้เห็นสภาพยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งแห่งจิตที่ปราศจากความฟุ้งปราศจากตันหาราคะแตกต้องแผวพานเมื่อเห็นสภาพจิตที่อยู่เหนือความคิดได้ ก็ยอมความสงสัยอันเกิดแต่ความคิดรวมทั้งสามารถสัมผัสรู้เกี่ยวกับจิตที่เล็กกว่าทั้งในตนเองและในสัตว์อื่นไม่มองมง่ายๆศัพท์แต่ว่าจิตคือจิตแต่มองว่าจิตจะเล็กหรือใหญ่อยู่ในอัตภาพหยาบหรือประนีตย่อมมีเหตุบันดาลให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือมีใครออกแบบสั่งสร้าง สภาพมหาคตเตเองอย่างซอยย่อยได้นานาตรงนั้นต้องจำแนกโดยความเป็นฌานเรียกปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างปติยฌานบ้างจะตุถฌานบ้างนอกจากนั้นความเป็นมหาคตายังแบ่งออกเป็นสองระนาบคือระนาบที่ต้องพึ่งพาอาศัยรูปเป็นสิ่งตรึงจิตสนิทอยู่ในฌานเรียกว่ารูปฌานและอีกระนาบหนึ่งคือเพื่งรูป ทั้งหมดเพิกรูปทั้งหมดยกขึ้นสู่ความไร้รูปอย่างสิ้นเชิงจึงเรียกอรูปประชานซึ่งเมื่อเข้าถึงอรูปประชานแล้วย่อมหมดความสงสัยสิ้นเชิงว่าจิตอยู่ในภาวะเป็นต่างหากคนิมิตหยาบกว้างยาวลึกแบบกายนี้ได้หรือไม่หากตั้งความเห็นไว้ถูกตรงก็อาจจะน้อมจิตพิจารณาตามจริงว่า สมองไม่ใช่ต้นกำเนิดของจิตหรืออีกนายหนึ่งคือรูปไม่ใช่กำเนิดแห่งนามแต่เป็นสภาพที่ปรุงแต่งซึ่งการและกันให้อยู่ในภาวะหยากหรือประณีตวิธีกำหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีกำหนดรู้ไว้คือเมื่อจิตเป็นมหอรคตก็ให้รู้ว่าจิตเป็นมหรคต เมื่อจิตไม่เป็นมหโระตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหโหระท ค, คือในข้อนี้จิตตานุปัสนาเราเน้นเปรียบเทียบระหว่างจิตที่ถึงความยิ่งใหญ่ในมหคตตกับจิตที่ยังไม่ถึงความใหญ่ระดับมหคตตซึ่งจะเอาความแตกต่างระหว่างจิตที่อิงอาศัยกายในการคิดนึกกับจิตที่อิงอาศัยกายในการตั้งมั่นเด่นดวง เมื่อเปรียบเทียบจนเข้าถึงความประจักษ์แล้วก็เหมือนเหลือแต่สภาพอย่างหนึ่งเข้าไปหลงปักหลักฐานในธรรมชาติเดิมของเขาอย่างนั้นมีนสภาพที่พระพุทธองค์เรียกว่าธรรมเอก อ, อยู่อย่างนั้นแต่เมื่อแปลตัวไปคือเสื่อมสภาพลงจากความผดผ่องเป็นธรรมเอกก็ผันมาอยู่อีกลักษณะหนึ่งที่ดูบุบบี้มอซอต่างจากของเดิม และผิดแผกแปรปรวนไปเรื่อยๆตามภาษะกระทกทางกายใจเรื่องของการเห็นจิตตั้งมั่นกลับสู่ฐานเดิมนั้นหากมันพิจารณาแล้วแล้วเล่าๆๆจะพบความหลงยึดว่านั่นเป็นสภาพของตัวตนความรู้สึกนี้ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากแฝงแนบสนิทอยู่กับสภาพตั้งมั่นเป็นหนึ่งแช่มชื่นสุดขีดนั่นเองต่เมื่อใครออกจากลักษณะรวม ดวงคืนสู่สภาพนึกคิดเห็นความอะไรยยึดติดในสภาพเดิมแท้นั้นจึงค่อยสำเนีจอทราบได้ว่าอัตราระดับใหญ่เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบแ ล, แล้วแล้วแล้วเล่ากระทั่งเห็นจริงเข้าขั้นยอมรับว่าสภาพยิ่งใหญ่นั้นก็สักแต่เป็นเพียงสภาวะหนึ่งของจิตตั้งอยู่นานรู ม, มันมั่นคงแต่แท้แล้วมีความเสื่อมแฝงอยู่ ไม่แตกต่างจากลักษณะอันเป็นมูลฐานของสภาวะอื่นๆเลยที่ความเห็นอนิจจังว่าจะต้องคืนกลับสู่สามัญเช่นนั้นจึงละความยึดมั่นเสียได้จะมีหรือไม่มีมหักคตะจิตก็ช่างการกำหนดรู้สภาวะจิตที่ยิ่งหย่อนกว่ากันลักษณะของสภาวะจิตที่ยิ่งหย่อนประกันโดยความหมายแล้ว จะมุ่งเน้นการเปรียบเทียบสภาวะจิตอันเป็นผลสําเร็จของงานสมถะหรือวิปัสนาอย่างเช่นกําหนดรู้ว่าเราทําได้ดีที่สุดถึงชาญขั้นไหนหรือยังไม่ถึงชานเลยเอาแค่อุปจารสมาธิหรือขณิกสมาธิก็นักว่านํามาพิจารณาได้เหมือนกันแต่พระพุทธองค์มักจะจำแนกความยิ่งย Orn กว่ากันของจิตด้วยลักษณะสมาบัติ8อันมีชื่อรวมโดยเฉพาะว่า อารมณมณูปณนิชฌานแบ่งเป็นรูปฌานสี่ระดับกับอรูปฌานอีกสีระดับคําว่าสมาบัตหมายถึงสมบัติของผู้จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์จิตถูกตรึงกับสิ่งนั้นไม่วันไหวไม่หันเหยึดหน่วงสิ่งอื่นระหว่างตั้งมั่นเป็นฌานอยู่สำหรับคณิกะสมาธิหรือสมาธิชั่วขณะนั้น ขอเพียงมีความรู้ชัดต่อเนื่องว่ากําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้ากําลังหายใจยาวกําลังหายใจสั้นจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูลมหายใจทั้งปวงอยู่ก็นับว่าใช้ได้แต่จิตตั้งมั่นเพียงไม่นานก็เคลื่อนยังไม่ปักหลักแน่วแน่จะบันดาลปิติสุขเป็นผู้บำเพ็ญเพียรถึงสมาธิระดับนี้เมื่อประสบการณ์ เมื่อประสบกับกรรมคุณระดับหยาบย่อ ย, ยวนเช่นรูปเสียงเกลิ่นรสสัมผัสสมาธิก็พังครืนลงง่ายหวนกลับมาฝักไฟครุ่นคิดในกรรมณมได้ทันทีสำหรับอุปจารสมาธิหรือสมาธิเฉียดฌานนั้นคิดเริ่มตั้งมั่นเนิบนิ่งเงื่นนาน พอจะรู้สึกถึงดวงสว่างเด่นอยู่ในภายในบ้างแล้วเกิดปิติฉีดซ่านและลิ้มรสสุขแบบทิพย์อันไม่เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปบ้างแล้วรสวิเวกอันเยี่ยมก็จะทำให้จิตตีตัวออกห่างจากการมบ้างแต่ยังมีความคิดอ่านเจือจางเป็นห่วงๆกับจิตอาจจะทำเป็นคือทำตัวเป็นจอรับนิด ซึ่งถ้าผุดภาพหรือเสียงอันสอไปในทางยั่วให้หลงก็เตลิดเปิดเปิงได้บางเกิดความทยานในทางกรรมรมแบบและเอียดหรืออาจดิ่งเหวร่วงลงตำ่ำสุดกลัวจากทิพยพระเชษุเลยก็ได้ด้วยเหตุที่จิตนึกคิดสามัญหรือแม่อุปจาระสมาธินั้นยังอาจเกลือกกลัวอยู่ด้วยกรรมคุณทางใดทางหนึ่ง อันทาให้จิตอึดอัดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพวกเราอยู่ในที่แคบดังพระอนอนน์นำพุทธพจน์มาถ่ายทอดไว้ในปัญจลสูตรพระสศตันตปิฎกเล่มที่สิบห้าว่าที่แคบอันจัดว่าควรอึดอัดที่สุดได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันย้อยยวนให้ติดหลมเรกสั้นๆวากามคุณห้าซึ่งปุตุชน จะหาโอกาสล่วงจากที่แคบคือกรรมคุณห้านี้ก็ต้องอาศัยรูปฌานสี่ระดับดังต่อไปนี้หนึ่งปฐมฌาน จะเกิดขึ้นเมื่อจิตจับอารมณ์แล้วเกิดองค์ชาญครบได้แก่วิตกยกอารมณ์วิจารณ์รู้อารมณ์ชัดปิติสุขเอกคตาจิตมีลักษณะรวมเป็นหนึ่งแน่วแน่หากเป็นผู้ที่ผ่านอนาปานสติในส่วนรู้เวทนาดีจะได้เปรียบเพราะจะมีประสบการณ์จำแนกองค์ชาญเป็นส่วนๆมาก่อนด้วยวิธีกำหนดรู้พร้อมลมหายใจ เช่นรู้ขณะให้ใจออกและให้ใจเข้าว่ากำลังมีปีติสุขเป็นต้นด้วยฌานระดับนี้จิตจะพละจากกามเด็ดขาดคือถอยห่างชิ้ไกรกันคนละฝั่งทะเลไม่มีทางเกิดนิมิตหรือสิ่งกระทบยาบละเอียดอันใดยุ่ยวยวนให้เกิดกามราคะได้เว้นแต่ถอนจกักชฌานจิตเสื่อมจากสภาพตั้งมั่น เศษรถวิเวกแล้วระยะหนึ่งแต่ละคนจะกินเวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกำลังที่สั่งสมมาแน่นหนามากน้อยเพียงใดการสงัดจากการนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการบรรลุโอกาสที่แคกขั้นแรกหากทำถึงปฐมชาแล้วย้อนดูด้วยความรู้สึกจะพบว่าการมทำให้จิตถูกเบียดอยู่ในสภาพคับแคบหน้าอึดอัดจริง แตกต่างจากความเปิดกว้างโล่งโถงขณะเป็นมหัคตะอย่างยิ่งข้อสองทุติยฌานจะเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงปฐมฌานเป็นปิติสุขมีกำลังทรงตัวแล้วลักษณะจิตตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นเป็นเอกะกคตาแล้วจำนานเข้าออกปฐมฌานดีแล้วก็ตัดความจ่ออยู่ที่การหายใจออกหายใจเข้าทิ้งไป ปล่อยให้จิตอยู่ในสภาวะแช่นชื่นสุดขีดโดยตัวเองเหมือนคนเล่นน้ำที่ขายอย่างถึงพื้นแล้วรู้ตัวว่าไม่ต้องพึ่งห่วงยางให้เกะกะแล้วก็ปล่อยห่วงยางทิ้งไปเป็นอันเข้าสู่ทุติยฌานคือยังทรงปิติสุขเอกะขะตาไว้เหมือนเดิมแต่ดับวิตกวิจารอันได้ชื่อว่าเป็นที่แคบในปฐมฌาน ล, ลงสภาพความรู้สึกในทุติยฌานจะเปิดโลง่ง กว่าปฐมฌานมาก 3. าตติยฌานจะเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงทุติยฌานพิจารณาว่าปีติยังเป็นของหยาบมีส่วนของความเล็งโลดอยู่ส่วนความ ยิ้มมากเกินไปในภายในอยู่สามารถที่จะกำหนดรู้เฉพาะกับสุขอันเยอดเย็นประนีตก็ทิ้งปิติเสียด้วยปัญญาเข้าสู่ภาวะสุขุมกว่าประนีตลึกกล้ำกว่าอันเป็นเข้าสู่ตติยฌานคือยังทรงความสุขและเอกขตาไว้ดั่งเดิมแต่ดับปิติอันได้ชื่อว่าเป็นที่แคบในทุติยฌานลง ลงสภาพความรู้สึกในตติยฌานจึงกว้างขวางล้ำลึกกว่าทุติยฌานมากสจะตุตทยฌานจะเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงตติยฌานที่เจรณาว่าสุขเย็นยังเป็นของฉาบจิตยังไม่ใช่จิตแท้ๆยังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องถึงธรรมชาติเดิมอันไร้เยื่อใยฉาบหุ้มก็จะสามารถกำหนดรู้ อยู่กับความเป็นกลางอันไร้สุขคงเหลือแต่สภาพเด่นดวงฉายแสงนิ่ายิกว่าอาทิตย์เที่ยงวันเป็นอันเข้าสู่จะตุติฌานอันเป็นสมาธิอิงอาศัยรูปขั้นสูงสุดคือสุขเวทนาอันได้ชื่อว่าเป็นที่แคบในคติยฌานก็ภัยขักตติยฌานดับลงแปลเป็นอุเบกขาเวทนาอันเกิดแต่สติบริสุทธในสภาพแห่ง มหาเอกคตาสภาพความรู้สึกในจตุตฌานจึงเปิดถึงที่สุดในบรรดาสมาธิอาศัยรูปทั้งหลายชาอาศัยการหมายรู้รูปเช่นลมหายใจเป็นจุดออกตัวหรือที่เรียกว่ารูปฌปานนั้นดูผิวเผินเหมือนไร้สภาวะใดให้ต่อยอดอีกเรียกว่ามาถึงสุดทางแล้วในเมื่อมาถึงสุด ที่ไม่เหลือองคฌานใดให้พิจารณาและอีกแล้วผู้ปฏิบัติสมถภาวนาส่วนใหญ่จะมาหยุดอยู่ที่จตุตชฌานด้วยความเข้าใจว่าจิตเหนือกว่านี้ไม่มีแต่ถ้าทําความเห็นให้ถูกต้องก็จะทราบว่ายังมีฌานที่เหนือกว่าหรืออีกในหนึ่งมีจิตที่ยิ่งกว่าเพราะนับตามการแจกแจงของพระพุทธองค์แล้วตัวความหมายที่รู้ในรูปเอง ยังจัดเป็นที่แคบอยู่และเพื่อบรรลุโอกาสที่แคบก็ต้องเข้าถึงอรูปฌานสีระดับดังต่อไปนี้